แถวนี้ผีดุอ่าวพระนางตำนานอาถน์แห่งคำสาบของพระฤาษีอาถรน์แห่งอิทธิฤทธิ์ของผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยตะบะอันบำเพ็ญมาอย่างยาวนานสยบเรื่องราวอันเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายทั้งมนุษย์และพญา น, นาคจากศึกแย่งชิงสตรีผู้หนึ่งที่ริมทะเลให้ทุกอย่างหยุดนิ่งไปช่วยนิรันดร์การด้วยคาสาบจากปากผู้ศักดิ์สิทธิ์กลายมาเป็นภูเขาถ้ำหิน ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแฝงไปด้วยตำนานที่น่าค้นหาเกี่ยวกับอ่าวพระนางและสถานที่สำคัญต่างๆภายในอ่าวพระนางอ่าวพระนางตำบลอ่าวนางอาเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีตำนานที่เล่ากันมาแล้วว่ามีหมู่บ้านสองแห่งตั้งอยู่ริมทะเลทั้งสองหมู่บ้านนี้เป็นคู่อริกันมาช้านานโดยหมู่บ้านแรกมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อตายมดึงส่วนภรร ย, ยามีชื่อว่ายายราพึง ส่วนอีกหนึ่งหมู่บ้านมีหัวหน้าชื่อว่าตาวาปราบส่วนภรรยาคือบาไมมีลูกชายคือนายบุญฝ่ายยายลำพึงซึ่งเป็นเมียของตายมนั้นไม่มีลูกจึงได้ไปขอลูกกับพญา น, นาคและขอว่าให้มีลูกสาวพญา น, นาคตกลงจะให้พรกับยายลำพึงโดยมีเงื่อนไขว่าหากลูกสาวโตแล้วจะต้องแต่งงานกับลูกชายของตนซึ่งเป็นพญา น, นาคที่ชอบจําแรงกายเป็นมนุษย์มาเที่ยวยังโลกมนุษย์อยู่เป็นประจํา สองคนผัวเมียได้ยินเช่นนั้นก็ตกปากรับคำกับพญานาคทันทีในเวลาต่อมายายรำพึงก็ตั้งคันสมใจและให้กำเนิดบุตรสาวมีชื่อว่านางเมื่อนางโตเป็นสาวแล้วมีรูปร่างหน้าตาที่สัดสวยเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ชายทั่วไปโดยเฉพาะนายบุญซึ่งเป็นลูกของตาวาปราบที่ได้ขอร้องให้พ่อของตนเองไปสู่ขอนางตาวาปราบเห็นใจลูกชายจึงยอมไปสู่ขอให ไม่ว่าจะเป็นคู่อริกับตายมดึงก็ตามส่วนทางด้านยายรำพึงและตายอมดึงก็ยกลูกสาวให้ในายบุญเพราะอยากให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝ า, เ, นฝาเศษทีโดยลืมไปว่าตนทั้งสองได้สัญญากับพญา น, นาคไว้ว่าจะให้แต่งงานกับลูกชายพญา น, นาคเมื่อถึงวันแต่งงานขณะที่กระบวนแห่ขันหมาของนายบุญได้เคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆเรียบริมทะเลลูกชายพญา น, นาคที่จำแรงกายมาเป็นมนุษย์รู้สึกไม่พอใจจึงเข้าแย่งชิงตัวเจ้าสาว เกิดเหตุชุนลมุนขึ้นต่อสู้กันระหว่างพญายนาคกับมนุษย์ระหว่างนั้นเองตายมดึงจึงได้พาลูกสาวหนีไปเพราะเกรงว่าลูกสาวของตนจะเป็นอันตรายเพราะตาวาปราบเห็นเข้าก็เกิดการยื้อแย่งกันขึ้นมาหมายจะฆ่ากันเพื่อแย่งชิงตัวนางให้ได้ความเดือดร้อนวุ่นวายนี้ทำให้พระฤาษีทราบเรื่องจึงออกจากการบาเพ็ญในถ้าเพื่อมาห้ามปรามศึกครั้งนี้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อฟังทาให้พระฤาษีโกรธ แล้วสาบให้ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของท่านกลายเป็นหินทำให้ภูเขาถ้ำบ้านเรือนต่างๆผู้คนต้องกลายเป็นหินไปหมดเช่นบ้านของนางได้กลายเป็นภูเขาที่บริเวณเอ่าวพระนางส่วนเรือนหอก็กลายเป็นถ้าต่อมาเรียกว่าถ้าพระนางข้าวเหนียวกวนที่ใช้ในการเลี้ยงผู้คนในวันแต่งงานก็กลายเป็นเปลือกหอยในทะเลต่อมาคือสุสานหอยส่วนพญานาคที่พยายามตะเกียกตะกายหนีลงทะเล ร่างก็ได้กลายเป็นหินเรียกกันว่าหงอนหน้าเป็นต้นซึ่งเหตุการณ์ความวุ่นวายแย่งชิงตัวนางครั้งนี้จึงกลายเป็นตำนานของสถานที่ต่างๆและเป็นจุดท่องเที่ยวแฝงไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหาความน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือถ้ำพระนางที่นอกจากจะมีการเชื่อมโยงถึงตำนานการแย่งชิงตัวของนางแล้ ว, ลวก็ยังมีอีกหนึ่งตำนานซึ่งมีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนมีเรือพระราช จมอยู่ใต้ทะเลบริเวณนอกชายฝั่งคาบสมุทรโดยมีพระนางกับเจ้าหญิงชาวอินเดียชื่อศรีกุลเทวีลอยอยู่บนกระดานเจ้าหญิงพระองค์นี้ได้จมน้ำลงไปพร้อมๆกับเรือและเชื่อว่าสมัยที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอผิดหวังกับหลายเรื่องทำให้วิญญาณของเธอได้สถิตอยู่ที่ศาลในถ้ำพระนางแห่งนี้แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอาถรนอันแรงกล้าทาให้มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะชาวประมง มักจะมาขอพอรก่อนออกเรือเพื่อให้ตนนั้นโชคดีก็จะสมปรารถนาและหลายรายก็มาบนบานสารกล่าวด้วยประหลัดขิกเมื่อสมหวังแล้วก็นำประหลัดขิกมาแก้บนทำให้เห็นว่าในปัจจุบันถ้ำพระนางมากไปด้วยประหลัดขิกจากตำนานกำเนิดอาพระนางจะเห็นว่ามนุษย์นั้นควรรักษาสัจจะวาจาที่ตนเอ่อยไว้ไม่ว่าจะเอ่อยววาจานั้นกับมนุษย์ด้วยกันหรือกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตาม ความหลงลืมในสัจจวาจาของตายมดึงและภรรยานั่นหมายถึงการไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เอ่ยไว้ทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะกว่าจะได้ลูกสาวมาก็ต้องอ้อนวอนต่อพยานมากฉะนั้นการไม่รักษาสัจจวาจาก็นำมาซึ่งเหตุเพศภัยดังเรื่องในตำนานที่นอกจากจะทำให้ตนเองต้องเดือดร้อนวุ่นวายแล้วผู้อื่นก็พลอยได้รับความเดือดร้อนนั้นไปด้วยอย่างเช่นศึกการแย่งชิงตัวนาง ในตำนานอ่าวพระนางนั่นเองแล้วคุณล่ะมีตำนานรักอาถรรพ์หรือสถานที่ไหนที่อยากให้เราหามาให้ชมหรือเปล่าลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทางทีมงานจะพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ